ดีนะได้ธรรมชาติชาวในบ้านของคนทิเบตก็เป็นที่ที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าจะมาพักแต่ก็ได้มาพักกันนะชาวทิเบตก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนามากนะชุดเป็นชั้นชาตินึงที่ถ้าโดยโบราณแล้วก็ประมาณว่าหนึ่งครอบครัวก็ ก็มีมีมีคนในครอบครัวอย่างนั้นคนหนึ่งที่บวชเป็นลามะหรือไม่ก็เป็นแม่ชีก็เป็นลามะผู้หญิงก็คือเขาก็ถือว่าผสายความเป็นญาตนะิทางสายเลือดนี่นแหละให้มาเป็นเชื่อมโยงกับกับพุทธศาสนาดังนั้นทุกครอบครัวก็จะมีมีลูกมีล้านมีพ่อมีแม่ที่ ที่เป็นเป็นนักบวชคนหนึ่งทําให้เขาก็เกิดการสืบต่อหรือว่าการอุปธรรมอุปทานะในวัดหรือว่าในพระอยู่เป็นประจำก็เลยทาให้เกิดเป็นความผูกพันกันในทั้งในสายเลือดแล้วก็ทั้งในการคุ้นเคยกันกับวัากับวารนั้นก็เลยเป็นวิถีชีวิตที่ที่มีความใกล้ชิดนะด ด้วยความมีสายเลือดบ้างแต่ที่จริงจุดเด่นมันก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องศรัทธาของเขาซึ่งการเข้าวัดเนะี่ยมันก็ไม่ใช่เข้าเพื่อหวังสิ่งอื่นแต่ว่าเขาเข้าแล้วก็มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระรัตนตรัยนะเขามีการปฏิบัติบูชาเป็นประจํามีการสวดมนต์มีการ หมุนกองร้อธรรมจักรมีการนับรูปกรรมมีการกราบอถิษฐาเข้าประดิษฐ์อะไรพวกนี้ก็คือมันเป็นกลายเป็นรูปแบบซึ่งช่วยให้การแสดงออกซึ่งศรัทธาได้ได้ชัดเจนเนะแล้วก็มีใช่ศรัทธาที่งมงายนะแต่เป็นศรัทธาที่อยู่กับการปฏิบัติซึ่งทำเป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวัน อันนี้คือความเป็นคนที่เบสในในอดีตนะแต่ไม่รู้สมัยนี้มันจะจางคายหรือว่าเสื่อมไปสักต่อไรอันนั้นเราก็ไม่รู้แต่เราก็เห็นว่าศรัทธาที่เขามีแล้วนำไปสู่การปฏิบัตินี่มันเป็นศรัทธาซึ่งมันไม่ใช่เป็นการแค่อ้อนวอนขอร้องหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อนน่เหมือนกับหลายคนที่บอกว่าเราเชื่อ ในคำสอนพระพุทธเจ้าเรานับถือพุทธศาสนานะเราทําบุญตักบาตรในวารโอกาสที่วันสำคัญเท่านั้นแต่วิธีที่มีศรัทธาแล้วก็ประกอบเดียกับการภาวนาในชีวิตประจาวันมันทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นเรื่อยนะมั่นคงขึ้นเลยเพราะเรามีการกระทําทุกวันเหมือเช่นอันนี้เราก็ดีนะเรามีการสวดมนต์ในโอกาสที่มัน มันเอือ้อมันสมควรเนี่ยก็ทําให้เราได้ได้ระดึกถึงพระรันตนตรัยอยู่เสมอนะหรือการที่เราดูลมหายใจรเราดูการเคลื่อนไหวหรือเราระ ล, ลึกถึงคําส อ, อนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอนะหรือเราระ ล, ลึกถึงความจริงของชีวิตคือความไม่เที่ยงนะคือความเป็นทุกข์คือความไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมออันนี้ก็ทําให้ชีวิตของเราเข้าใกล้กับ ขับพระรันตนไตรเขาเจ็เขาใกล้กับความจริงเมื่อชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่เข้าใกล้กับความจริงหรือรารึกถึงความจริงอยู่เสมอนะฉะนั้นชีวิตนั้นก็เรียกว่าเข้าใกล้กความไม่ทุกนะหรือว่าอาจจะเข้าถึงความไม่ทุกเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อชีวิตเราระหนักถึงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของชีวิตนะะหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระหนักถึงสภาวะที่มันไม่คงที่ แต่นักถึงสภาวะที่อะไรอะไรมันก็มันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างใจเราต้องการเพราะว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งในปัจจัยต่างๆมากมายในในโลกใบนี้หรือว่าอาจจะโดยรวมในในภพภูมิทั้งสามนี้ก็ได้เราเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนั้นถ้าเราเห็นว่าเราเป็นเพียงแค่ ส่วนเล็กๆเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยซึ่งอาจจะทำอะไรได้บ้างนะแต่ก็เป็นิึงที่มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกมากมายเหตุปัจจัยในอดีตเหตุปัจจัยของคนอื่นของธรรมชาติซึ่งก็มาสัมพันธ์กันทำให้มันเป็นเรื่องราวในชีวิตประจาวันของเราเองแม้เราจะอยากให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเราน้อม นำชีวิตเราให้ให้เข้าถึงความจริงตัวนี้ชีวิตเราก็จะเรียกว่าเกิดการเกิดความสงบเกิดการปล่อยวางมากขึ้นแต่จินพุทธศาสนาท่านก็ไม่ใช่เน้นหลักของการปล่อยวางแบบยอมจำนนเสดสิเดียวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ใช่นะแม้เราเป็นเพียงแค่หนึ่งเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยที่เราทำตอนนี้ เราก็สามารถกระทําได้ในเหตุปัจจัยในทางที่ถูกในทางที่ควรในทางที่ตั้งใจเราก็สามารถทําได้นะแต่เราก็ยอํารับความจริงด้วยว่าแม้เราจะทําเต็มที่แล้วเราตั้งใจเต็มที่แล้วแต่ถ้าผลที่ออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่อธิษฐาไมไ่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็สามารถยอมรับได้นะอันนี้คือการปล่อยวางอย่างแท้จริงคือเราทําเหตุ สมบูรณ์แล้วแล้วก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นผลจะออกมาด้านบวกด้านลบด้านชอบด้านไม่ชอบหรือด้านไหนก็แล้วแต่เราสามารถยอมรับได้อันนี้คือการกระทำเหตุที่สมควรแล้วก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นนั่นสิ่งที่ที่พวกเราทำนะในชีวิตประจาวันก็ดีนะถ้าเราทำเช่นนี้แล้วก็เป็นถือว่าพวกเราเดินตามวิถีพุทธนะเข้าถึง สภาวะความเป็นพุท ธ, ธะมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่กับความจริงของโลกได้อย่างไม่ทุกข์ใจอันนี้คือวิธีที่ที่ถ้าเรามีการภาวนาอยู่เสมอนะภาวนาในรูปแบบบ้างหรือนอกรูปแบบบ้างมันก็จะทําให้จิตของเรามันมันไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยนะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆนี่ยก็คือสิ่งที่ที่พวกเราทำเนาะเราก็อาศัยการ กิจวัตรประจำวันนะส่วนมนุย์ไหว้พระหรือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบบ้างแล้วก็การที่คอยกลับมารู้กายรู้ใจตัเองบ่อยๆในนอกรูปแบบบ้างหรือเราอาศัยาการพบเห็นนะคนที่เขามีศรัทธานะหรือการเข้าถึงหรือการที่เราเข้าวัดหรือเราเข้าในสถานที่ที่สงบเช่นธรรมชาติที่สวยที่งามที่ ที่เรียกว่าเกิดความสดชื่นเบิกบานให้พวกนั้นก็อาจจะเห็นน้อมทำให้เรากับเข้ามาถึงธรรมชาติในใจของเราที่มันก็มีความสงบเช่นเดียวกันนะมีความสบายเช่นเดียวกันนะแม้ในที่ที่ธรรมชาติที่สวยงามบางแห่งอาจจะมีคนมากมายนะแต่ถ้าเราไม่สนใจในผู้คนภายนอกสักเท่าไหร่นะ แต่เรารู้อยู่ว่าเขาเดินว่าเขาพูดว่าเขาทําอะไรแต่ถ้าเราไม่เอาไม่ไปสนใจถือเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราเปิดใจสัมผัสกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามที่สงบพวกนั้นเราจะทำให้เราเวลาเราเดินทางเข้าไปในอุทยานที่ไหนก็แล้วแต่หรือในที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ที่มันตื่นตาตื่นใจนะ จิตใจของเราก็จะตื่นไปด้วยนะตื่นเพราะว่าอะไรเราสัมผัสกับธรรมชาตินะที่เป็นความบริสุทธิ์ตรงๆนะไม่เอาใจของเราไปไปสัมผัสกับธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนที่ที่สับสนวุ่นวายหรือเสียงดังหรือที่ไม่สงบอันนี้คือเราก็สามารถเลือกได้นะเลือกที่เราจะส่งจิตไปอยู่กับสิ่งใดส่งจิตไปอยู่กับธรรมชาติที่สงบ ที่สวยที่งามที่เบิกบานที่สุขใจหรือว่าเราจะส่งส่งจิตของเราไปอยู่กับความวุ่นวายภายนอกแต่การส่งจิตในที่นี้ไม่ใช่การส่งไ ป, ไปแช่ไปพักไว้แต่คล้ายๆเราเราเร า, เรามีความตั้งใจที่จะไปไปเรียนรู้หรือว่าไปสัมผัสกับตรงนั้นเป็นหลักนะแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่การปิดกัน้นหรือว่าการจะบังคับไม่ให้รับรู้ภายนอกเลยก็ไม่ใช่นะ แต่เพว่าเราเราตั้งใจที่จะเปสัมผัสตรงนั้นเป็นหลักลนั้นแม้ภายนอกอาจจะมีนะักท่องเที่ยววุ่นวายอาจจะมีอะไรต่างๆซึ่งไม่สงบนะแต่เราก็จะสามารถพบความสงบได้ไปในใจของเรานะที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติภายนอกอันนั้นมันจะเป็นความสงบที่เราสามารถสัมผัสได้หรือบางทีอาจจะมีสิ่งกระทบนะเพราะว่าเราก็บังคับไม่ได้มันได้ยินมันได้เห็นหรือมันได้สัมผัสใกล้ชิดนะมันก็ต้องมี การกระทบกันเชื่อมต่อกันไปอันนั้นเราก็อาศัยสติที่คอยรับรู้นะรับรู้อารมณ์แล้วก็นะเมื่อสติมันรับรู้อารมณ์ละมันก็ตัดอารมณ์ของมันเองอันนี้ก็เป็นการฝึกเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้ว่าไม่ดีนะอ่มันก็ดีมีตัวทดสอบบ้างนะมีอารมณ์กระทบบ้างแล้วก็เห็นเห็นความฟุ้งเห็นตะกรนเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตใจนะมัก็ดีเหมือนกันนะมีแต่สิ่ที่ดีทั้งนั้นนะ ถ้าเราทำได้เช่นนี้มันก็จะเป็นการเดินทางซึ่งเราก็ไม่ได้เพียงแค่การเดินทางนะจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองนึงหรือว่าจากอุทยานแห่งหนึ่งไปอยู่ไปสู่อุทยานแห่งหนึง่งนะจากอีกที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเท่านั้นนะแต่จะเป็นการเดินทางภายในนะคือการเดินทางที่เราเข้าถึงความจริงของชีวิตนะเราเข้าถึงความไม่ทุกข์อยู่ บ่อยๆนะหรือว่าหยุดทุกขณะเนี่ยก็เป็นการเดินทางภายในซึ่งมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเดินทางภายนอกนะหรือเป็นสิ่งที่ครวบคู่กับการใช้ชีวิตประจําวันของเราเพราะว่าการเดินทางภายในน่าจะเป็นจุดหมายที่จะทําให้ชีวิตของเรามันดีงามมากขึ้นสงบมากขึ้นโดยว่าทุกน้อยลงจนกระทั่งถึงความไม่ทุกข์เลยอันนี้ น่าจะเป็นจุดหมายไปาทางของชีวิตของเราเนาะก็ก็ฝากไว้ในเชนนี้